กาวสวัสดีท่านผู้รับฟังรายการเสียงทําจากมหาวิจาัยสิลิุ่นกันครับวันนี้วันจันทที่22มกราคมพุทธศักราช2550 รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบภูมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์รรกิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบภูมิเป็นผู้ดำเนินรายการครับเช่นเคยครับวันนี้เป็นรายการตอบปัญหาธรรมะสดครับโดยทางรายการกลับวัรัฐนาพระเดชประคุณพระเทศบิลกวัดประวัเววิหารเป็นพิธีกรตอบปัญหาธรรมะครับหมายโทรศัพท์ทางรายการเช่นเคยครับ0 2 2 4์สองสองสี่หน1่งสามสา้นี้ขณะนี้กำลังรอรับสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะ เข้ามาครับมีสายแรกมารออยู่ต้นรายการเลยนะครับสวัสดีครับนรัตการและสวัสดีครับจะถามสองข้อข้อแรกคือได้ยินได้ยินมาว่าปฏิบัติพิปัสนาครั้งหนึ่งจะตัดภพชาติจะได้เจ็ดชาติไหมไม่ทราบว่าเป็นพุทธพจน์หรือเปล่าแล้วก็ข้อสองขอวิธีออกจัดดามนะครับครับผมกับรับฟังตังวิทยุนะครับขอบพระคครับครับผม ก็ก็พูดกันไปก็พูดเรื่อยไปคือมันมันถ้าถ้าบรรลุเป็นโสดาบันมันก็ได้ถึงจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติแต่ถ้าไม่บรรลุมันไม่ไปตัดชาติตัดพบอย่างนั้นเน่ยมันรู้ได้ยังไงล่ะไปเขาพูดไปเรื่อยแล้วบางทีเขาพูดไปเรื่อยมันไม่มีเหตุผลเน่ยไม่ใช่พอปฏิบัติวิปัสสนาปั๊บมันจะเกิดบุญไม่ตัดชาติพบชาติพบมันตัวนิพพานเป่นคนตัดมันไม่ใช่ตัววิปัสสนาครับ ก็สองการออกจากการมอ๋อออกจากการมต้องพิจารณาเห็นโทษของการมใชฮะก็พยายามพิจารณาเห็นโทษบ่อยๆแล้วก็อย่าไปดูอารมณ์ที่กระตุ้นการมาราคะดีกรีอารมณ์เหล่านั้นก็พิจารณาแล้วก็ช่วยส่วนช่วยก็คืออย่ารับประทานอาหารที่เป็นการบำรุงมากเกินไปแล้วก็การรับอารมณ์เนี่ยอย่าไปดูอารมณ์ที่กระตุ้นพวกกรมมราคะเราจะเห็นว่านแนวศส้นแปด น่าจะสิ้นแปดจากข้อหกไปถึงข้อแปดเนี่ยมัน ก, ก็เป็นแบบนวบรรเทากรรมราคาอยู่แล้วแต่เรารักษาสีน้นก็ลองรักษาสิ้นแปดลองดูดิจะบรรเทาไปได้เยอะครับที่คุณจะมีแฟนในการจดหมายมาถามว่าเ อ, อได้ฟังพระบางองค์ท่านเทศติดเรื่องการเบิกบุญมาใช้ก่อนอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับถึงว่าเราไปเจอเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยเราขอเอาบุญที่เราได้ทําสะสมมาใช้ก่อนนี้เป็นไปได้หรือเปล่ คน <laughs> ละเรื่องการคนละเหตุคนละผลนะฮะ <ce> คือเราจะเห็นว่าเรื่องวิบากเนี่ยมันเป็นเรื่องของของตัวตัวผลเหล่านั้นถึงคราวก็ให้ผลเขาก็ให้ครับไม่ใช่รอเอาขึ้นมามันไม่พูดบื้งก็พูดสตางอ่ะครับเปลีนเปลี่ยนที่ก็สตาง <laughs> มันเพี่ก็สตางมัไม่ได้ก็พูดพูดอย่างนั้นพูดง่ายไปแต่ว่าในภาคปฏิบัติมันไม่ได้หรอกครับกรรมมันก็อยู่ที่ว่าถึงคราวจะให้ผล ก, ก็ให้ผลไม่ถึงคราวให้ผลมันไปเร่งมันไม่ได้ครับ นะเหมือนกับพู้เจ้าทรงรู้ว่าองค์ุริมานเนี่ยประกอบกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่ถึงข่าวที่จะโปรดก็โปรดไม่ได้ก็ <c oughs> ต้องรอความพร้อมขององคุริมารคับ <c oughs> บุญมันก็เหมือนกันบาปมันก็เหมือนกันแหละคือว่าพูดง่ายๆว่าสูตรง่ายๆเนี่ว่าอการทํานาเป็นเรื่องของคนแต่การให้ผลนะ่ะเป็นเรื่องของข้าวเดี <c oughs> ๋ยวไหมครับ <c oughs> คือคือคื อ, ค อ, คอเราจะไปเร่งมาไม่ได้ว่าเอเอผูอ พรุ่งนี้นตั้งท้องนะ้ํามารือนนี้ออกรวงนะไปเ ร, รือนนี้สุกนาเราแต่เราไปสั่งไม่ได้ครับผมไปสั่งผลไม่ได้ครับแต่เหตุเนี่ยเราเลือกได้ครับแต่ว่าผลนี่เราไปเร่งไม่ได้ครับแต่เร่งมันก็ต้องสร้างต้องสร้างเหตุได้มากขึ้นอังเหตุได้มากขึ้นครับแล้วก็ผลมันจะมีพลังครับโอกาสที่จะแสงให้เนี่ยมันก็ได้ครับนะแต่ว่า เหตุมันต้องดีมากเลยนะเออน่าด um, ีมากจึงจึงจะสามารถเกิดเกิดผลอย่านได้ครับขอบคุณท่านผู้ใจกลางการทำนาเป็นเรื่องของคนการให้คนไป่องของข้าวนะครับชัดเจนเลยครับสายที่สองครับสวัสดีครับเจริญพรในงานสการ์กันต้นครับขอสวัสดีพระเดชพระคุณท่านจะถามปัญหานะไครับอาจารย์บัณฑับศานสการสอบถามได้เลยครับเออพระเดชพระคุณท่านครับ ผมบวชอย่างเงี้ยแล้วก็มีอ า, าธีตุเป็นบุรุษชิเนี่ยก็ต้องรู้เป็นบุริษชิตก็แล้วทำเลี้งครอบครัวอยู่เมียก็มาอยู่ด้วยแล้วก็ไปมาแล้วก็เลี้ยงครอบครัวทั้งหมดเนี่ยแล้วแล้วอีกก็จะขอเรียกอีกตัวหรือต้นนอะแล้วประเดชพคุณนะก็าตึกไปแล้วเป็นบรุษชิตกลับมาบวชอีกเนี่ยแล้วมาร่วมทั้งข้าคำับผมเนี่ยจะทํำยังไงเขาผมจะมีอวบาหรือมันบาปยังไงต้องขอฟัง คือมันมันปัญหาว่าถ้าเขาไม่เป็นที่สี่ในสงนะฮะแล้วก็เราไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่แปลกแต่ถ้าเขาเป็นที่เต็มสงเช่นว่ากรรมส้างกรรมเนี่ยก็ใช้สงสิบรูปแล้วก็มีพระสี่รูปก็แสดงว่าเขาก็เป็นหนึ่งในสี่เนี่ยมันก็กรรมก็เสีย<อ>บางเรื่องกันนะฮะปัญหาเหล่านี้บางครั้งเนี่ยมันมันเราต้องมีหลักฐานพอสมควรนะครับคือจริงแท้เนี่เราก็ไม่รู้ เกิ น, นิ่งๆจะจะจะไปว่าเขาเลยมันก็มันก็พูดยากแต่ว่าถ้าถ้าเป็นจริงอย่างนั้นแสดงว่าระบบการบวชก็หลวมเอง ค, คื อ, อบวชยังไงมันก็ไม่เป็นท้านะฮะถ้าหากว่าปารารชิกแล้วเนี่ยก็บบจบจบสิ้นกันเฉพาะชาตินี้ก็คือบวชไม่ขึ้นก็เรียกว่าอุปสมบทไม่ขึ้น ะะ ม, ม <c oughs> ก็แสดงว่าระบบระบบการให้การอุบัญชาประสมบทเนี่ยก็ตาหลวมท่านก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะทีครับหรือถ้าถ้าเห็นว่ามันจะมีปัญหาเราก็อยู่ที่อื่นวัดเดียอะไปมครับผมครบขอบคุณที่สนใจขั้นสายที่สามครับ สวัสดีครับครับเออผมอยากทราบว่าการอุปสมบทของศาสนาตัสของแต่ละประเทศเนี่ยมันมันเหมือนกันไหมครับใกล้เคียนกันไหยครับแล้วตรงตามตามในสมัยพุทธกาลหรือเปล่าแล้วก็อีกข้อนึงขั้นตอนการบวชทีนะครับผมอยากทราบว่าอย่างสั้นๆหน่อยครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างครับขอบพระคุณครับ คื อ, คอเงื่อนไขไนของพระวินัยเนี่ยวินัยมันบางทีก็ต่างกันนะโดยเฉพาะระหว่างเทรวาสกับมาหายานก็ต่างกันแต่ถ้าเทรวาสกับเถรวาส ด, ด้วยกันช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะอาจจะผิดกันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่อยู่ในพระวินัยบิดดกคือช่วงตั้งแต่ขอนิสัยเป็นต้นไปเนี่ยนะ ม, มันมันมันจะตรงกันครับผมเพราว่าพวกนี้เขาอยู่ในในพระไตรบิดดก แต่ว่าตอนตอนต้นต้นเอสาหางอุกาอย่างเงี้ยอย่างอย่างในประเทศไทยเราก็ต่างกันครับะบางวัดก็ใช้เอสาบางใช้บังบางวัดก็ใช้อุกาครับผมแต่ว่าเช่วงที่ขออุปสมบทนี่จะเหมือนกันอ๋อครับขั้นตอนการบทชีมีขั้นอ๋อไม่มีอะไรแล้วฮะอาราธนาศีนแปดก็รับศีนแปดก็จบละอ๋อก็ชีก็คือบาซิกาครับบาซิการักษาศีนแปด ครับขอบคุณครับ022413315นะครับสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้ครับท่านทคุณจันร์ครับตอนนี้หลายฝ่ายกำลังเล่งระดมในเรื่องของการสอนศาสนาเข้าถึงแก่เยาวชนเนี่ยท่านคุณจันร์มีพอมีข้อแนะนำไหมครับว่าอย่างเยาวชนของชาติในระดับผู้รัศึกษาเนี่ยเริ่มต้นแรกๆเลยนะครับจะปรับพฤติกรรมเขายังไงเขาดีให้เขาเข้าถึงพุทธศาสนาครับท่านคุณจร์ครับ คือคือต้องเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างของมนุษย์เนี่ยมันเป็นธรรมะครับผมเพียงแต่ว่าเคลื่อนดีหรือไม่ดีหรือกางกลางนะเพราะวันวิถีของมนุษย์มันก็มีสามอย่างก็ดีไม่ดีกลางกลางดีไม่ดีกลางกลงอย่างเงี้ยครับเพียงแต่เราเชื่อแก่เห็นว่าตรงเนี้ยต้องมีสตินะนะถามก็ดูว่าถ้าไม่มีสติเนี่ยคุณจะจําได้ไหม ครับนะไม่มีปัญญาเนี่ยคุณจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไหมไม่มีความเพียรในงานนี้จะสาเร็จไหมไม่มีความอดทนเนี่ยคุณจะนั่งอยู่ได้ไหมอะไรต่อเลคือคือคือธรรมะมันเป็นวิถีชีวิตยอยู่แล้วครับแต่ว่าคนไม่เข้าใจว่าเนี้คืออาการของธรรมะค <c oughs> รับเพราะฉะนั้นเราก็สอนให้แกเข้าใจว่าในชีวิตของแกเนี่ยทำอย่างนี้นนนคืออย่างนี้ทําอย่างนี้บาลีเรียกอย่างนี้ธรรมะเขาเรียกอย่างนี้อย่างนี้ <Okay. S 2> แล้วถ้าเคลื่อนไหวอย่างนี้มันจะเป็นโทษเคลื่อนไหวอย่างนี้จะเป็นคุณ นะเช่นว่าทําอะไรที่ขาดสติเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็เป็นอันตรายรถชนเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะประมาทเพราะขาดสติใช่ไหมเนี่ยคือคือคือคือเชี่ยเห็นอ่ะคนทําดีหรือว่านั่งดูโทรทัศน์ก็นั่งอธิบายธรรมะได้เพราะว่าที่จริงการเคลื่อนไหวเหล่านั้นก็เป็นอาการของธรรมะเป็นกุศลหรืออกุศลนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกละเมิงนครอะไรต่ออะไรของเราเนี่ย มันมันจะจบลงด้วยที่สะท้อนเรื่องผลกรรมครับคือยังไงก็สังคมอย่างดีอย่างเลยนะตอนตอนตอนที่ว่าเขาว่าน้ำเน่าน้ําเลอะอะไรก็ตามแต่ว่าตอนปลายปลายเนี่ยจะสะท้อนกรรมครับความทําดีได้ดีทำชั่วด้ชั่วดีนะฮะเขาเขาเขาเขาเขสะท้อนให้แหละก็ดีฟอนก็ อย่าให้ถึงกับเครียดอย่าต้องไปท่องเทิร์นอะไรๆมากเกินไปครับพูดใดเขารู้สึกสนใจพอใจยินเดียวเออถ้าเราขาดตรงนี้เราจะมีปัญหานะหรือว่าพูดเรื่องศีลอย่างเงี้ยเอถามว่าถ้าปล่อยคนฆ่ากันได้เนี่ยคุณอยู่ได้ไหมปล่อยรักกันได้เนี่ยคุณจะอยู่ได้ไหมปล่อยให้กระทำย่ายีคู่ครองของการรายการในสังคมอยู่ได้ไหมปล่อยโกหกหลอกลวงกันเนี่ยมันอยู่ได้ไหมเห็นไหมคือเนี้ย แล้วคนเมาเหล้ากันเยอะนี่มันกระทำไงคือคือคือใจเห็นว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เราต้องเลือกเดินน <laughs> ่ะเพราะถ้าสังคมไม่มีธรรมะนี่สังคมมันอยู่ไม่ได้ครับมันเป็นสังคมของสัตว์แม้แต่สัตว์ก็มีสัญชาตญาณที่เป็นธรรมะโดยธรรมชาติของมันเช่นว่าอแมวรักลูกหมาก็รักลูกไก่ก็รักลูกอะไรเนี่เจ๊มะฮะมันก็เป็นสัญชาตญาณของสัตว์แต่นั้นน่นก็คือธรรมะธรรมะก็คือความรักชิน แม่มีต่อลูกพ่อมีต่อลูกเนี่ยสองคนจัดจะเป็นจัดมากครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับสายต่อไปครับสายที่สิมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังถามว่าเออเป็นเป็นพระเนี่ยครับมีบัตรเอทเอมเนี่ยมันจะผิดตามวิเนียหรือเป่าครับอ๋อมีบัตรเอทีเอมครับไปกดเงินสดนี่มีเป็นผิดตามพระวิเนียหรือเปล่าใช่ไหมครับครับมีข้อข้อเดียวนะครับครับครับผม ไอ้ตอนมีเนี่ยคงไม่ผิดหรอกนะฮะแต่ผิดตอนโกดออกมาเดี๋ยวีว่าตอนไปจับไปรับทองในเงินด้วยมือของตัวเองเนี่ยทีนี้ถ้ามีเราให้เด็กไปกดมันก็ขนาไม่ได้ว่าอะไรหรอกขนาดวิทีุเทคโนโลยีมันมันมันเป็นเทคโนโลยีร่วมสมัยร่วมสมัยครับครับผมครับขอบคุณครับสายต่อไปนะครับสายที่ห้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถามพี่คเดียวนะครับ เอาได้ยินมาว่าคนที่ลลำทำร้รองราทําเพลงเรละครอะไรแบบที่เฟอร์เจอรเนี่ยมีนรกรองรับอตีลี้ทราบว่าถ้าเราคนดูคนฟังอ่ะหรือว่าอ่านนิยายอะไรเงี้ยเราเราตกนรกหรือเปล่าหรือต้องได้รับโทษยังไงบ้างครับก็ครับผมรับฟัง<ข>ยู่นะครับครับผม <c oughs> มันเป็นเรื่องก็แล้วแต่คือจะขีดไปเลยมันไม่ได้เก<ข>ิดหมายความว่า<ข><ข> ถ้าแสดงในลักษณะกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะเนี่ยมันตัวเองก็เกิดกิเลสอย่างนั้นอยู่ด้วยไปงั้นมัน ก, ก็แสดงไม่ได้เพราะงั้นมันก็เป็นบาปที่ไปทําจิตเขาส ง, งบอยู่ให้เกิดราคะให้เกิดโลภะให้เกิดโทสะให้เกิดโมหะเนี่ยมันไม่ถึงกับนรนกะรองรับหรอกแต่ว่าถ้าประกอบเป็นอาชีพแล้วก็ทําในลักษณะนั้น โอกาสตกนรกขึ้นก็สูงครับอันนี้เป็นบาลีพุทธวจนะเองนะฮะคือเกิด<ม>นักแสดงก็มาถามพระพุทธเจ้าเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็สอนกันว่ามันจะเกิดเป็นเทวดาที่มีความบันเทิงรื่นเรืองใจครับแล้วถามพระพุทธเจ้าว่าผู้เจ้ารู้ยังไงผู้เจ้าก็ไม่ตอบนะฮะบอกว่าอย่าถามเราเลยเขาก็พยายามขอให้ตอบผู้เจ้าก็บอกว่ามันมันไม่มจะเกิดเป็นเทวดาตกนรกครับ นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราแสดงนี่ใจเราต้องเป็นอย่างนั้นด้วยครับต้องทำไปมันเกิดโทสะอาการของโทสะจึงออกมาออก็ต้องใช้อารมณ์นะฮะใช้อารมณ์ก็แล้วคนดูมันก็เกิดตามครับเพราะงนั้นในการการเช่นเช่นเช่นการดูการแสดงต่าง ๆ, ๆที่ท่านบัญญัติไปเนี่ยเพราะว่ามันจะกระตุ้นกิเลสแล้วจะเป็นเหตุให้ไปละเมิดศีล อย่างศีนแปดเนี่ยเราจะเห็นว่าไอวิกานัจกีมาลาอุจาทั้งหมดเนี่ยมันจะกระตุ้นราคะครับมันจะเป็นเหตุอะ้ไปแล้วเมื่อสีนข้อที่สามครับซึ่งเป็นอพรัมคือว่ามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้สิขับบทเหล่านี้ก็จะเกือกูลกันครับหมายความว่าถ้าเรารักษาสิขับบทสามข้อข้างล่างได้ดีก็ทําให้ศีลข้อที่สามนี่มันบริสุทธิ์ครับผมเห็นไหมฮะครับคือเป็นมันเป็นระบบการพัฒนาจิบ ของของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงวางไว้เพราะว่าตัวการสำคัญที่จะให้ผิดศีลข้อที่สามที่เป็นอภรรมเนี่ยมันก็คือกามราคาแล้วพนุษย์เลยตัดกระแสราคาทียะมันไม่ให้เหยื่อแก่จิตคือไม่ไปเพิ่มพลังราคาขึ้นมาไปในจิตลดเหยื่อลงก็ลดลดลดเหยื่อลงไปครับคุณเจ้าคุณเจคับสายที่หกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กับมรณาการท่านเจ้าคุณด้วยนะครับจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องมรณาธิสิทนะครับคือว่าสมัยพุทธกาลนี่ฮะเจ้าลัทธิต่างๆแม้ว่าจะเป็นสันชัยปริพาโชคดีหรือเจ้าลัทธิที่มีฤทธิ์นะครับส่วนใหญ่ก็มีแต่มรณาธิติทธิ์นั้นแม้แต่พรหมโลกท่านทา้าพกาพรก็มีมรณาธิติทกลัวจะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้ ครับแล้วมาดูอย่างสมัยนี้อที่ทํางานผมในวงสัมมนาก็ถกเถียงกันส่วนใหญ่ก็มีแต่คนที่ร่ำรวยสูงๆเฉลยฉลาดทั้งนั้นแต่ที่เสียงกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์นะครับเป็นเรื่องของมารณทิฏฐิทั้งนั้นคำถามที่อยากจะถามว่าธรรมะข้อไหนที่จะเอดับมารณทิฏฐิของเราและของคนอื่นได้ครับเรื่องนี้ครับผมครับน่าสนใจ คือระดับนี้มันเป็นระดับที่ที่ค่อนข้างยากนะมานะนี่คนดับได้มีพระอาหารหันต์พวกเยอะทันเองพวกคือไม่ดับไม่ได้แต่ทำให้ลดบรรเทาลงไปได้เราจะเห็นว่าถ้าหากว่าจิตใจเราเปิดกว้างแล้วก็พร้อมเรียกฟังความคิดความเห็นของคนอื่นที่ขัดแย้งกันครับแล้วก็ลองดูว่าเออถ้าทําอย่างนี้จะถูกไหมทําอย่างนี้จงถูกไหมสมมุติว่าไปทางไปไปทางนั้นต้องไปทางนี้ เท่านั้นถามว่าไปทางอื่นได้ไหมถ้าไปได้ก็คือถูกด้วยกันครับมันต้องมีการประนีประนอมแล้วก็ความคิดความเห็นของเราเนี่ยถ้าหากว่าจ ะ, ะดับไปได้จริงๆมันต้องคนระดับประโสดับันเพราะว่ามันเป็นสักกยทิฏฐิมันมันต่อกันนะนะฮะสักกายทิฏฐิเห็นเราเป็นอย่า ง, งานั้นเราเป็นอย่างนี้ อ, อย่างอย่างที่มาเคยบอกอาจารย์เนี่ยบอกว่าการเรียนในทางโลกเนี่ยมันเพิ่มตัณหามานณทิฏฐิครับ ใช่ไหมอาจารย์ยรบจบเป็นญาเอกค่าเงินเดือนเป็นญาโทอาจารย์ไม่เอาอะ่ะเใช่ไหมอาจารย์ไม่เอาเพราะว่ามันเกิดตันหาในเงินเดือนของเป็นยาเอก<ช>ครับแล้วก็คนอื่นเนี่ยจะต้องเชื่อฟังเรามากยิงขึ้นเพราะเรามีมานาไองฉันคือเป็นญาเอกครับแล้วก็ทําให้ปัจจัยในตัวความเห็นของฉันว่าถูกต้องเพราะฉันคือเป็นญาเอกครับ แล้วบางทีปัญญาเอกในเรื่องกีตาวิทยาเรื่องแมลงเนี่ยฮะไปแสดงเพ็งหลักทางรัฐศาสตร์แต่ชงมันไม่ได้เกี่ยวกับเธอเลยแต่เธอก็เกิดทิฏฐิแตแล้วนะเกิดมานะเกิดทิฏฐิแต่แล้วถือว่าจบันนี้เห็นว่าปัญญาเอกถ้าไม่ขาดขาดโยในสมนัติการจะมีอย่างการมากแล้วจะไม่ฟังความคิดความเคินของใครอ่ะเพราะฉั้นตัวความรู้เนี่ยเป็นตัวเสริมอัตตาเสริมมานะเสริมทิฏฐิ วิธีการของพระเจ้าการาอ่านสังฆ์พระเจ้าเราจะเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาในการก่ารสังพระเจ้าครับมันลดตัณหามานาทิฐิเห็นไหมฮะลดตัณหามานาทิฐิจนถึงปัญญาก็สมบูรณ์เนี่ยเขาทำลายตัวทิฏฐิแล้วก็ทําลายมานาเพราะศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ทําลายหมดเลยทั้งศีลท่าทั้งทา ง, ทา ง, ทางมานะแต่งทิฏฐิทั้งทั้งหมดนะั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือก็คือระบบที่เราใช้กัมาศึกษาเนี่ยมันเหมือนกันแค่ภาษาเท่านั้นเอง แต่ว่าที่เราเรียนกันทางโลกเนี่ยศาสนาพุทธเขาเรียกว่าศิละปะครับเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ <calend rier S 1> ครับผมเป็นศินละปะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพแต่ไม่ได้บ่งชี้ว่าคุณเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีครับเพราะคนความเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนั้นมันอยู่ที่คุณธรรมภายในใจของคุณไม่อยู่ที่ดีกรดนะไม่ได้อยู่ <ผม S 2> ไป่ไอยู่ที่ปัญญาบัตรครับผมอครับกระับพระโหชัดเจนเลยครับที่คุณแจขอบพระคุณมากเลยครับสายที่เจ็ดครับสวัสดีครับ ว่าสิดแตกก็ห้ามแล้วไอการดูร้องรับทำเพลงเนี่ยนะ <c oughs> แล้วก็มีวัดบางวัดยังมีนางรำไปรำแก้บนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมันมันสมควรไหมครับพทธเจ้าท่านจะมา <c oughs> ท่านจะมาดูนครับ <c oughs> ไอละครละเมงอะไรที่ไปแก้บ น, นครับครับแล้วก็ทำเงินทําทองมาหาศาลซะด้วยครับผมเคยถามท่านคนทีทองขาวท้านบอกไม่เห็นเสียหายอะไรครับ แล้วทุกวัดชนเงยอย่างนั้นมีแก้บนอย่างนั้นสนับพุทธหรืออะไรครับ <c oughs> คต่แ <c oughs> ล้วฟังจากพิเชษนะครับนมาสการถามครั บ, รบมัอบอนเป็นระดับของ อ, อประเพณีระดับสังคมนะฮะคือคนรู้สึกว่าถ้าได้ทําอย่างนั้นแล้วสบายใจครับมันเป็นระดับฝันกําลังใจระดับเด็กเล่นเด็กเล่นตุ๊ ก, กตาโยมคือคือคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่เราจะเอามา อ่านั่งสมาชิหรือสมาทานศีลแต่ว่าการที่แกไปได้เห็นอะไรแต่ไรอย่างน้อยที่สุดดี จ, จิตใจแกก็ดีขึ้นแหละครับก็ก็เราต้องมองว่าอ้วุฒิภาวะของคนในสังคมมีความแตกต่างกันเราไม่ขีดเส้นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ดีกว่าแกแกไปประกอบอัจฉริกรรมนะมันไม่ไปกระตุ้นราคาอะไรพระพุทธ ร, รูปหรอก แต่ว่าเข้าเจตนาเป็นการบูชาเขาเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันมันเป็นการไหลมาแล้วก็มาดูดซึมเข้าผสมผสานกับขนดทำเนียมประเพณีว่าธรรมขอท้องจินนั้น<ๆ>นั้นแต่ดังนั้นการได้รำเพื่อบูชาสิ่งเคารพสกสากรามันจึงมีอยู่ทุกศาสนาค<ๆ>และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสนาพุทธเนี่ยมันก็มากับศาสนาพราหมณ์มาเผยแผ่ในดินแดนของพราหมณ์คือพราหมณ์ก็อยู่มาก่อนตรงนี้นน<ๆ>พราหมณ์มีพิธีได้รำบูชาเทพเจ้า นะแล้วเราจะเห็นว่ารูปเคารพมันก็มาจากความอิทครับอิทธิพ ล, ลนะอิจใจครับผมอิทธิพลคือคือก็ปนปนกันมานะครับปนปนกันมากันการบูชาเทพเจ้านี่ก็ปล่อยก็เถอดดีกว่าเข า, เขาประกอบปัธีกรรมถ้าถามว่าถูกต้องไหมมันมันในแง่ของศีลธรรมให้ถูกต้องหรอกรแต่ว่าในแง่ของประเพณีฝังได้เราเป็นระบบความเชื่อของท้องถิ่นั่น บวกความเชื่อกันต้องถิ่นเหล่านั้นมีอย่างเดียวนะฮะคือเราต้องอนุวัตตามไปขัดคอเขาไม่ได้หรอกคือมันมันมันมีการกระทําที่เลวกว่านั้นเขาไม่ทํำนะฮะมันก็บุญอยู่แล้วครับก็ อ, อย่าอย่าไปผลักเขาจนเข้ารถเข้าพงไปเลยครับก็ช่วยเสริมเติมขึ้นมาแล้วเขาก็ค่อยๆเข้าเข้าใจมาว่ามันน่าจะใช้ตรงนั้นเป็นเครื่องมือแล้วก็พูดคยุคยทําความเข้าใจแล้วค่อยๆดึงเข้ามาครับ น้องครับขอบคุณเจ้าวุ่นใจครับสายที่แปดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้ากรรมนิมิุการขอบคุณเจ้าแล้วก็บูรจวาป็นอะไรสักครับครับผมผมจะหนาจะถามฮะที่สํานักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งฮะถามเจ้าถึงนักว่าเอ่าจิตวิญญาณเนี่ยมันมาอย่างไงแต่ครับมาตั้งแต่ยังไงเกิดขึ้นมาแต่ไงท่านตอบว่ามันไม่มีใครทราบแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยลําลึกได้ไปถึงกี่ชาติโดยไม่จำกัด แต่ก็ไม่พบว่าจิตวิญญาณนี้มาอย่างมาจากไหนยังไงคนก็ถามต่อมาคือว่าถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ทราบเช่นนั้นเนี่ยทําไมท่านถึงหาวิธีดับเอ่อคือเหมือว่าดับจิตดับวิญญาณดับอะไรได้หมดซึ่งไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยครับขอขอถามแค่นี้แหละครับครับผมก็เป็นบ้างเลยครับวิญญาณมันมาจากเหตุปัจจัยนะฮะคือมาจากกวิชากับมาจากสังขารครับพอจะมีกวิชาก็มีสังขารมันก็มีวิญญาณ นี้เมื่อเราดับอวิชชาได้มันเมื่อความร้อนมาจากไฟเราดับไฟมันก็หายร้อน่ะความร้อนก็หาย <c oughs> <g uk> <g uk> ก็ ก, ก, ก็มันวิญ ญ, ญาณมันเป็นผลนะโยมวิญ ญ, ญาณมันเป็นผลซึ่งเกิดมาจากการประสมกัน ร, ระหว่างกิเลส ก, กัมในชีวิตประจําวันของเราวิ ญ, ญญาณเกิดมาจากการผสมของอประสาทสัมผัสของเราอายตนะภายในอายตนะภายนอกเช่นเช่นเช่นสมมุติว่าจะขูวิ ญ, ญญาณความรู้ทางตาเนี่ยมันก็เกิดมาจาก มีรูปซึ่งอยู่ในวิสัยที่ตาเห็นได้เราก็มีจกักรคูภาษาที่ไม่พิการแล้วก็มีคลื่นแสงเนี่ยมากระทบจกักรคูระสาทของเราแล้วเราก็สนใจมันก็เกิดเป็นจักรคูบิญญาณขึ้นมาทีนี้วิน ญ, ญาณที่โยมพูดนะวิน ญ, ญาณคล้ายๆกับจิต ท, ที่ที่มันเกิดเนี่ยอันนี้มันเกิดจากกิเลส ก, กรรมะเกิดจากกิเลส ก, กรรมเราจะไปสาวที่ไปที่มาไม่ได้มันเป็นวัฏจักร มันเหมือนวงวงกลมที่เขาขีดไว้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไปเริ่มตรงไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะมันเป็นวงกลมอยู่แล้ววัดวัดตาจากมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเน่ยเหมือนกไก่กับไข่ในคุดย่ออะไรเกิดก่อนก็เอาครับก็ไม่ได้ว่ากันก็แล้วแต่ว่าจับไอ่ไก่กับไข่มามาคู่กันหรือว่าไก่กับไก่กับลูกมาคู่กันก็ว่ากันไปครับผมครับผมเป็นจากข้อสายที่เก้าครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับผม ก็ขอกราบเรียนถามเป็นความรู้นะครับคือเกีเ่ยวกับเรื่องเรือนิพพานนะฮะเดิมคือคือผมเข้าใจว่านิพพานเนี่ยต้องเป็นกรณีที่ดับขันหรือตายไปแล้วนะฮะแต่นี้พอมาอ่านหนังสือธรรมะสนใจธรรมะมากขึ้นก็เลยสงสัยมากขึ้นว่าคือคือเขาเขียนว่านิพพานเนี่ยมีสองอย่างคือนิพพานของพระรหานที่ที่จนเหวียอารมณ์ได้อ่ะฮะกับนิพพานที่ซึ่งระงับการังเสวีอารมณ์ นีพนธจะขอกราบเรียนถามท่านจ้าคุณเสองข้อนะครับคือข้อแรกเนี่ยนิพานเนี่ยต้องเป็นกรณีนพระอรหันต์ไปนิพานและพระพระอริยะบุคคลเช่นนะพระโสดาบันพระสกัดตะขามีอนาคามีเนี่ยไปรูดรวมถึงบุคคลธรรมดาเนี่ยไปนิพานได้ไหมครับอันนี้ประเด็นแรกนะฮะสองถามแรกอีกคําถามหนึ่งก็คือว่าที่ว่านิพานของพระอรหันต์ที่เสวยหลงเนี่ยก็แสดงว่านิพานเนี่ย นิพพานยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องดับขันหรือตายไปเนี่ยใช่หรือไม่ไมหมายถึสองคําถามเนี่ยครั บ, บขอบคุณมากครับคือคือนิพพานเนี่ยเป็นคําสมมติเรียกสภาวะทางจิตที่ดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์ได้นะแต่ทีนี้ในจริงๆเนี่ยคํคำว่านิพพานเนี่ยเมื่อก่อนในเช่นสมมติเรไฟติดอยู่แล้วเราก็ดับไฟเนี่ยก็เรียกไฟนิพพานแล้วนะตักแกงแล้ร้อนขึ้นมายังกินไม่ได้ พอมันพอกินได้เราบอกว่าเอานิพานแล้วกินได้แล้วทีเนี้ว่ามันมันมันเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดามาก่อนแล้วพอเรามาถึงใช้ในนิยามของว่าการดับกิเลสกระดับทุกทีนี้กิเลสกระดับทุกมันกระดับได้โดยลําดับเพราะมันจะมีนิพานระดับหนึ่งที่ก็เรียกว่าสันทิฏฐิกังนิพานังนิพานที่ดับที่เห็นได้ในขณะนั้นๆเจ่นเกิดโกรธขึ้นมาดับความโกรธได้ก็ถือว่านิพานในขณะครับ ว่นิพานในขณะนั้ น, น, นกี่นาทีก็ไม่รู้แหละนะก็ก็ก็ใช้ในความหมายให้เราชิมดูวันเนี้ยนิพานมันมีลักษณะอย่างเงี้ยถ้าคุณทําอะไรไปตามความโกรธความทุกข์จะตามคุณมาอีกเยอะเลยอแต่พอดีคุณดับโกรธได้ความทุกข์เลยไม่เกิดออืเพราะไปทะเลาะไปด่าทออะไรแต่อะไรใครมันจะหยุดหมดเลยครับเห็นไหมเพราะคุณดับโกรธความทุกข์จึงดับจะ่ม่ให้ความทุกข์จึงดับแล้วก็มาเป็นนิพานระดับฌาน นะก็เรียกว่าวิขำพนาในนิพานคือดับใดที่เรามีฌานอยู่รับนั้นกิเลสก็ไม่เกิดเมื่อกิเลสไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นนิพานช่วงยาหน่อยก็อาจจะเป็นชั่วโมงได้นะฮะอาจจะเป็นชั่วโมงหรืหลายๆชั่วโมงได้แต่ว่านิพานที่ดับอย่างถาวรจริงๆเนี่ยท่านเริ่มนับจากพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันนะหมายความมาดับกิเลสได้เด็ดขาดทุกซึ่งมาจากกิเลสที่ดับแล้วมันจะไม่เกิด ส่วนในกรณีอื่นก็เกิดแต่ว่าจิตท่านจะปล่อยวางลงไปอ่ก็เป็นสิ่งที่ตั้งแต่มีชีวิตเขาเรียกว่ากิเลสนิพพานกับขันธ์นิพพานกิเลสนิพพานนี่บางอย่างก็เห็นได้ในแต่ลักษณะอย่างที่ว่าบ้านเนี่ยคนเราก็สามารถสัมผัสได้ขณะสั้นๆทุกคนนั่นแหละ เพราะว่าเป็นสภาพจิต ท, ที่มีอยู่ในธรรมชาติธรรมดามนิพพานธาตุเนี่ยมันมีอยู่แล้วภปไปในจิตเราครับนะเพียงแต่ว่าเราจะใช้โอกาสใช้แสวงหาประโยชน์ได้หรือไม่เท่านั้นเองแต่ว่านิพพานจริงๆต้องเป็นการดับอย่างสิ้นเชิงไปโดยลําดับเพาราะงั้นพอถึงจุดหนึ่งพอคนที่นิพพานแล้วไม่ต้องเกิดอีกมีเจ้าพาระพารหันเพราะว่าคนอื่นยังมีกิเลสอยู่ครับ มากบ้างน้อยบ้างนะฮะแล้วก็เมื่อมีกิเลสก็แสดงยังมีกรรมอยู่มันยังมีเงื่อนไขปัจจัยที่ให้เกิดไปสนที่วิญญาณอยู่<อ>ท่านก็เลยต้องเกิดอีกนะประการคนที่นิพพานแล้วไม่ต้องเกิดอีกเลยก็คือพระอรหรันต์พระปฏิเจ้พาพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าสามพวกนะฮะนอกจอกนั้นก็ยังต้องเกิดอีกอย่างน้อยก็หนึ่งชาติอ่านะครับ แ้วท่านถามว่ามันเกี่ยวข้องการตาย ไ, ไ, ไหมเนี่ยต้องตายก่อนเงี้ไม่ไมอะคร <c oughs> ัย่างที่บอกไงไอันนั้นเขาเรียกขันนิพพ า, านนิพพานแต่ว่าจริงๆเนี่ยที่เราสัมผัสได้นี่คือกิเลสนิพพานอหมายความมีมีตัวตนเป็นผู้เสวออยู่แต่ท่านก็ถ้าพระอาหารท่านไม่ยึดว่าท่านท่านท่า น, านเป็นหรอกคร<ช>ับแต่ว่าสภาวะนิพพานน่ยมันมีอยู่ภายในใจของท่านแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ยึด ไม่ได้ยึดวัฒนนิพานเพราะท่านไม่มีตัวตัวตนให้ไปยึดแต่ว่าพอพูดกับชาวบ้านน่งก็พูดอ่ะก็พูดธรรมดาก็สื่อสารภาษาธรรมดาแต่ก็ไม่มีตัวตนให้ไปยึดถือไม่มีตัณหามานะทิฏฐิอะไรที่จะไปยึดถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ไม่ถกกเถียงอะไรไกลๆใครนะจริงๆนั้งแต่ปสดาบันเนี่ยไม่ไม่เถียงแล้วนะคนตั้งแต่วโสดาบันแล้วไม่ไม่เถียงกับใครแล้วคนอื่นเถียงก็เรื่องของเขาแต่ว่าท่านเองไม่เถียงกับใครอ่ะ เจ้คุณเจ้าใุณแจ็คสายที่สิบครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตัวที่ให้รอนานครับเชิญครเชิญเลยครับครับขอถามสัญหาครับว่ายังมีนิดทำไมมันมีมรณะที่สี่อยู่ครับอย่างท้าีข้าสกาชมนะครับโอ้โห่านจะมองเห็นว่าพลเทียงนะครับใช่ครับคือคือคือพรมเนี่ยมันเกิดด้วยชานยม เดยสารกิเลสลาไม่ได้แต่ข้อนองึงเพราะว่ากิเลสมีครบบริบูรณ์สมบูรณ์เป็นการสงบกิเลสประเภทที่กรุ้มรุงใจนะแต่ว่าท่านเกิดแล้วท่านก็เกิดด้วยกำลังของฌานแต่ว่ากิเลส ท, ท่านยังมีบริบูรณ์สมบูรณ์เพราะงั้นความเห็นผิดระดับนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะเป็นสัสตตทิฏฐินะสัตตทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงเนี่ย มันคนที่ไม่เห็นอย่างนั้นมันต้องเป็นปโสดาบันขึ้นไปนะฮทีนี้อท่านท่านท่านเป็นพร om เนี่ยท่านยังไม่ได้เห็นไตรลักษณ์อะไรพระพร o ยังไม่เห็นไตรลักษณ์นะเพราะว่าอายุท่านท่านท่านยืน่ะอายุท่านยืนท่านไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกครับตอนท่านก็ไปเข้าใจว่าท่านเที่ยงแท้ยั่งยืนเพราะว่าสัญญาในดีของท่านเนี่ยเรียนรู้มาอย่างนั้นเรียนนะฮะ เรียนรู้มามันมันก็มาจะศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีอยู่ก่อนเนี่ยครับเขาถือว่าตัวพรหมมันเนี่ยเป็นตัวเที่ยงแท้ทีนี้เมื่อท่านเกิดเป็นพรหมท่านก็เป็นหนึ่งในส่วนพรหมมันน่ะแล้วก็เลยเที่ยงครั บ, รบตามลักษณะเดิมของมนุษย์เนี่ยคือมีสักกะทิฏฐิเกลือเจตทิฏฐิอยู่<อ>ตัณหาอะไรต่างๆมันเกิดจากทิฏฐิสองตัวนี้แหละครับกการะทิฏฐิเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้ยังยืนตัวเราเองไม่ยังยืนทรัพย์สมบัติก็ยังยืนเห็นนะฮะเลยก็ ยุดเหนี่ยวอยู่กับทรัพย์สมบัตินั่นแหละแก่เท่าแล้วก็ไม่ยอมสละบริจาคอะไรเพราะว่าคล้ายๆตัวเองจะอยู่ค้ำฟ้าลึกๆเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างนั้น บ, บางทีก็ แม่ต่ตายแล้วก็ยังยึดติดอยู่ในทัศนบัตไไไิไม่ยอมเป็นไม่ยอมไม่ยอมครับกลายเป็นปูปุกคือคือคือมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกธรรมชาติของสัตว์โลกครับขอบคุณทุกท่านครับ022413315นะครับ ส, สอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้ครับท่านทุกท่ครับมีรายการจดหมายมาฝากมาถามว่า เ, เนื่องจากว่าญาติของเพื่อนนะครับมีนักศึกษาถามว่าญาติของเพื่อนเป็นมะเร็ง แล้วก็คิดว่าคงจะอยู่ได้ไม่ไ ม, ไม่นานแล้วทีนี้อยากจะให้ธรรมะนะครับเพื่อเป็นข้อคิดแก่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงจะฝาเจ้าผู้อาจาร่าเขาจะอัดรายการเนี่ยนะครับไปฝากไปฟังให้ญาติเขาได้เกิดกระตุ้นคิดสักนิดหนึ่งฮะว่าอย่างนี้จะต้องอทำยังไงดีเขาที่ารึกครั บ, ค, าาร ค, รบคือมันต้องสร้างความคุ้นเคยนะคือคเขาเขาต้องคุ้นเคยในเรื่องนี้อยู่บ้าง ดูซิอะไรที่จะให้เขาตั้งจิตอยู่กับเรื่องเหล่า น, นั้นได้ครับแล้วก็หาเรื่องเหล่านั้นไปก่อนคือคือว่ายิ่งนี่อย่านิ่งนิ่งอย่ายไปค่าธรรมะเลยเพราะต้าต้าใจไม่คุ้นแล้วมันจะต่อต้านครับจะเริกไม่ค่อยชอบจะ<า>งุ่ยิตแล้วฮะมันมันมันมันจะหนักมากยิขึ้นผลดูอะไรที่ทําให้ใจแก่สงบได้ครับแม้แต่เพลงบรรเลงทั้งหลายเนี่ย เพลงที่กล่อมบรรเลงทั้งหลายจเป็นเพลองอะไรที่ก็เปิดตอนในหลวงเสด็จออกมหาสภครนิพา น, นพาใช่ไครับแล้วเ จ, จนน้อง ก, ก, ก, ก็กล่อมก็ดึงจิตให้เกาะ อ, อยู่กับเรื่องตัวนั้นนะครั บ, รรบมันก็สงบได้สงบอยู่กับเสียงตัวนั้นแหละออืนะแต่มันไม่ถึงกับบรรลุมรผลนิพานอะไรหรอกแต่ว่าจิตมันจะรวมอยู่ครับมันก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งถึงแม้จะเกาะกับเสียงเพลงกระช่างมันแหละ แต่ว่าถ้าเขาคุ้นอยู่กับธรรมะบ้างเนี่ยได้สวดมนต์ได้อะไรบ้างเราก็เอาบทสวดที่เขาชอบนะ่ะไปเปิดให้เขาฟังค่อยๆเปิดเบาๆก่อนอ๋อครับผมครับนะเปิดเบาๆก่อนแล้วก็เห็นว่าถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาจะขอให้เร่งขึ้นเราก็เร่งให้ครับแใจใจก็จะเกาะอยู่ที่บทสวดมนต์เหล่านั้นครับแต่จิตมันจะดับไปด้วยตัวสมาธิตรงนั้นอืมนั่นก็ไม่ไม่ก็ แต่ว่าต้องดูต้องดูเขานะฮะเรารไม่รู้ภูมิหลังเขาอะ ร, รู้ภูมิหลังเขาว่าเอาอะไรที่เขาคุ้นอะครับแล้วเขาสามารถเอาจิตไปเกาะไปได้เอาเรื่องดีๆก็แล้วกันพวกไงไงั้นเอาเรื่องดีๆก็แล้วกันที่จะาคุณอาจารย์เคยเล่าบอกว่าอที่เปิดเปิดบทสดบนแล้วก็ <ม S 2> อืไรอยเงี้ยลุกขึ้นมาแล้วก็ส<ช>ิ้นไปเลยใช่ใช่ข่าวโคม่าแล้วนะฮรับขึ้นอริยสัจยกมือขึ้นผนุมมือกระดับเลย เสียไปเลยตอนนั้นใช่ฮะหลกหล้ยขนาดนั้นนะครับขอบคุณที่คุยจัดมากเลยนะครับสายที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับอกลับน้ำมาสการท่านเจ้าคุณค่ะแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรค่ะครับสวัสดีครับเอออยากเรียนถามค่ะว่าสูงที่พักนะคะได้เอประชุมกันแล้วก็มีข่าวสารอะไรบ้างตัวคะแล้วก็อยากจะ ขอความปรีดาให้ท่านเจ้าคุณได้บางครั้งด้วยนะคะขอเวลานสักนิดนึงได้ส่งข่าวให้ญาติโยมให้ชาวพุทธชาวไทยชาวพุทธเราได้ทราบบ้างนะคะเพราะว่าวันท่านมาไม่ได้อ่นะคะเราอยากจะว่าได้ข่าวสารบ้างแล้วก็หวังว่าคราวนี้นะคะกฎหมายใหม่นะคะเราจะได้กระช่วงพระพุทธศาสนาไหมคะขอการท่านทุกานตัวแทนแบบนี้ราชการขอบคุณค่ะ อามาไม่ได้ร่วปประชุมเขานะฮะเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกประธานเลยประธานไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าตอนนี้มากําลังทํำหนังสือเรื่องพระพุทธศาสนาการาารัฐธรรมนูญกำลังจะออกฮนะกำลังจะออกก็ประมารร้อยสี่สิบหน้าจ ะ, จะจะเผยแพร่จะแจกจ่ายไปในพวกเครือรัฐสภาต่างๆเนี่ยฮกลุ่มพวกองค์กรต่างๆประชาชนชที่สนใจอก็เรียกร้องาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจำชาติ <S <S ก็เน้นอย่างนั้นเนี่ยแต่เราเท้าความไม่ให้เห็นเราชี้ประเด็นต่างๆทางประวัติศาสตร์ทางสังคมทางเ อ, อเอกภาพภายในชาติบ้านเมืองอะไรต่างๆก็ว่าไปเลยแต่ว่ากระทรวงนั้นคงคงค ง, คงพูดยิงคงพูดยากเพราะว่าเราก็ต้องมองหาพื้นที่ให้เพื่อนาศาสนาอื่นด้วยนะฮะและเขาก็เป็นคนไทยได้วยกัน แต่ถ้าหากว่าเราจะยกระดับให้าศาสนาอื่นเขาเป็นกลมแล้วก็มีกระทรวงาศาสนาคือถ้ากระทรวงพุทธาศาสนานี่มันก็ค่อนข้างแรงไปนะครับเพราะว่ามันถ้าเป็นกระทรวงาศาสนามันจะมีลักษณะอ่อนตัว<อ>คือเราอยู่ร่วมกันเนมันต้องปบันีประนอมนะคือมันไม่ใช่ว่าไปฉันจะเอาของฉันอย่างเงี้ยแล้วก็คนอื่นต้องกีดกันเราไม่ได้ฮ ค, คืออย่าลืมระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันสิตที่เสมอภาคเนี่ยมันมีความสําคัญ uh huh. ในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันอภิสิทธิ์เหมือนกันคืออย่าให้มีใครมีอภิสิทธิ์เกินผิดปกติไปมันมันระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่จริงก็พูดง่ายนะฮะแต่เข้าถึงยากเพราะว่จจาจิตยวิญญาณของมนุษย์มันมีความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาอประชาธิปไตยอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องรู้สึกว่าเป็นคนไทยด้วยกัน แล้วก็อย่าเอายังอะไรมาแบ่งแยกก็ก็ไปด้วยการก้าวไปด้วยการอยู่ด้วยกันคือคือไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแล้วแล้วพื้นที่ของศาสนาอื่นล่ะเราต้องนึกด้วยนะฮะพื้นที่องศาสนาอยู่นี่ก็ก็ต้องมีองค์กรรองรับที่คุณยางครับแล้วท็ไมเราคำว่ากระทรวงวัฒนธรรมกับโครงการศาสนานี่ แสดงว่าถ้าทำใหญ่กว่าศาสนาหรือเไม่คือคือคือมาว่าสังคมไทยสังคมไทยไม่เข้าใจครับผมอาจารย์จะต้องเข้าใจว่าศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์เนี่ยครับมันเป็นลูกของศาสนาทุกอย่างเป็นลูกของศาสนาใช่ไม่เป็นลูกของศาสนาครับทีนี้เราเราไปคิดว่าวัฒนธรรมเนี่ยสําคัญกว่าศาสนาแต่อย่าลืมวัฒนธรรมนั้นมันมาจากศาสนาใช่ครับอย่างประเทศไทยในวัฒนธรรมมันก็เป็นวัฒนธรรมพุทธครับ คุณจะดูวัตถุธรรมคุณจะดูเนติธรรมคุณจะดูสาธรรมคุณจะดูคติธรรมมันก็ฟงพูดทางนั่นครับแล้วศิลปะมันก็ศิลปะพูดอ่ะครับเอเมนั่วบ้านทั่วเมืองมันก็ศิลปะพูดออันนี้ก็คือก็คือตัวอย่างที่ที่ที่เราเห็นว่าเราเราเกิดความสับสนในตัวของเราครมันมันมันที่จริงมันตั้งแต่ระบบ ก, การศึกษาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาหรือว่า อคนรุ่นเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเป็นคนที่รู้ยุโรปเองก็คึกครื่นกลางๆรู้ไทยเองกับครื่นกลางๆผมว่าประชาธิปไตยเลยกับครื่นกลางๆนี่ก็ก็ไม่รู้จะน้ําหรือบกกันแน่ก็ครับผมหรือก็สับสนก็อยู่เนี่ยครับผมข่าวับคนณีุคนแจงครับสายที่สิบสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสอบถามได้เลยครับครับผมคือผมได้ยินที่รัฐบาลที่มาปกครอง ประเทศชาติรูว่าประกองด้วยธรรมาทิศปไจจัยธรรมาพิบานเลยไหมครับครับเพาว่าธรรมาพิบานมีไอประเดีตคุณท่านแต่ให้ด้วยว่ามันแปลว่าอะไรธรรมาพิบานเลยไครับครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับมันเป็นภาษาที่คนรุ่นใหม่ก็ใช้ขึ้นน่ะนะฮะธรรมะรัฐธรรมาพิบานอะไรล่ะ กูก right. ็บเน้นแม้นอะไรเนี่ยฮะก็ก็ก็สายคืออที่จร nah ิงเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าคําว่าเราจะครองแผ่นโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามนั้นแหละคือธรรมะพิบาลมันไว้ใช้ธรรมไปดานาจแต่ที่เราอยู่เนี่ยเราไม่ได้ใช้แต่เราเรียกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าธรรมะพิบาลคืออะไรธรรมะอภิ巴ากอะพิ巴拉ะก็คือคุ้มครองอย่างยิ่ง กนะุ้งฟองอย่างสูงสุดอภิก็คือยิ่งด้วยธรรมะแต่เราก็ไม่ได้ใช่เนี่ยเนนะเราไม่ได้ใช้เราใช้พวกเราใช้อารมณ์ <c oughs> เราเป็นการต่อสู้กันระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจ <c oughs> ตกลงว่าเอาความถูกใจของฉันนั่นคือความถูกต้อง <c oughs> ถ้าฉันไม่ถูกใจฉันก็คือไม่ถูกต้องบางคนก็ พยายามที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาถูกฟังมาถูกดักโทรศัพท์ฟังมาหกปีแล้วมันไม่มีราคาพอที่จะใครไปแอบฟังโทรศัพท์หรอกมันต้องดูว่าเราคือใครอ่ะเออครับเราคือใครเดี๋ยวเขาต้องแอบฟังโทรศัพท์ครับนะมันต้องมีคนบทบาทสัมพันธ์มากคือยังมีคนแอบฟังโทรศัพท์นะอันนี้คื อ, ค, อคือพยายามอัปเกรดตัวเองนะแล้วก็เรียกร้องหาธรรมะ ธรรมารัฐธรรมิบาลเนีรยคือฟังฟังดูก็ออกก็ก็ก็รู้แล้วครับข้าพุทธเจ้าที่ดิบสาวมันรออยู่ครับสวัสดีครับผป้ดำนการครับการทัการครับท่านุนเจ้าสวัสดีข้าอาจารย์ครับครับผมผมข้องใจเรื่องศาสนาพุทธศาสนาจำชาติเนี่ยครับผมมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีหลายศาสนาเหมือนเราทำไมถึงเอาสลามเป็นศาสนาจาชาติได้นะครับผมใช่ครับั้นี่เขาก็้อง ตั้งกระทรวงศาสนาของเขากระทรวงศาสนาเขาไม่กันเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นผมไทยเนี่ยบางที่เขามีกี่เปอร์เซ็นต์คนที่ทำเป็นศาพุทนะครับทาไมทาไม่ได้ล่ะครับครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนพิจยาเลยครับผมครับผมครับก็พยายามรณรงค์กรนมานาแล้วโยมคือว่าสังคมเรามันมันมันเราจะเห็นว่าเรื่องอคติมันค่อนข้างแรงครับ อะแล้วก็การต่อรองเนี่ยเอกภาพในสังคมพุทธเนี่ยมันอ่อนแอเราต้องมองจริงๆว่าไอ้ความทุ่มเทเพื่อาศาสนาจริงๆเนี่ยพอเอาก็ถึงมันก็ขัดคอกันเองเก<ช>ิดแกแยกกันเองอแล้วก็ผี่กับองค์กรพุทธอย่าลืมองค์กรอิสลามเนี่ยเขาเป็นโลกอิสลามนะฮะเป็นโลกอิสลามห้าสิบกว่าประเทศเนี่ยเขาเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะ<ช>่ะเขาเป็นพี่น้องกันเลยเพราะงั้นเขาก็มี ประเดน็นเป็นเงื่อนไขในการต่อรองนอนะพิธีการต่อรองเขาในที่สุดรัฐบาลเองก็ต้องจำ น, น้นเพราะว่ามันมันขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงอ่ะคุณจะให้ไม่ให้ล่ะคุณไม่ให้ฉันก็ไม่ให้อ่ะเห็นนะฮะแต่เราเราเรากล้าหรือเปล่าครับเราพอเพื่อนเอาเงินไปซื้อเศษเลยเ <laughs> งินไม่มากาไม่เป็นว่างเงินมากาใครก็ได้ <laughs> ดเราเร า, เรามันมันมันสังคมเราม้านอ่อนแอนะยะ คือคือเราไปยกเทียบก็ไม่ได้หรอกปากีสถานเนี่ยเป็นเป็นเป็นรัฐอิสลา ม, มนะเพราะว่าคนอิสลามเขามากมาเลเซียนะขาวว่าสี่สิบเจ็ดหรืออย่างดีก็หกสิบหกสิบห้าแต่ว่าคนอื่นก็เยอะแต่เขาก็ต่อรองเก่งนะฮะต่อรองเก่งแล้วโดยเฉพาะยยิง่งก็คือว่าอาคนของเขายึดกุมมันมากรัดก็ทํ า, าได้ ของเราเนี่มันมันอะไรสอ่ะสสรอเก้าถึงเก้าคนเนี่อ ย, ยกยกมือให้อะไรล่ะสํานักพูดเนี่ยสํานักพูดไอสาสนาไออกระทรวงกระทรวงกรอนอ่ะอ๋อส า, าราพูดเป็นสารานอาจารย์ชาติเจ็ดคนโอ้ส า, าราพูดเป็นสารานอาจารย์ชาติเจ็ดคนขอบผม เหมือนต่างกันตนต่างนะคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอยู่ครับคเจ้าจครับหนังสือถ้าทำเสร็จแล้วถ้าแฟนรายการอยากจะได้ขอไปอ่านบ้างได้ไหมครับเอาเลยฮะอยับเอาเลยเอาเลยครับก็ยังตั้งใจว่าจะจะจะสืบดูต้นทุนเนียก่อนนะฮะหรยังยังยังนึกว่าถ้าเราสามารถพิ้งได้สัก5 0าพันเล่มเนี่ยก็ดีครับ แปลว่าเราเร า, เราพูดด้วยเหตุผลแล้วก็ให้หลักปอติศาสตร์ให้ความรู้กฎเกณฑ์ต่างๆเราเราไม่ได้ว่าใครหรอกครับนะแต่ว่าเราเสนอเป็นประเด็นให้คิดว่าคืออย่าลืมว่าศาสนานี่มันเป็นเรื่องสําคัญคเมื่อเราต้องการจะผนึกประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยคือสมานฉันเนี่ยมันต้องรู้สึกเป็นพวกเดียวกันครับถ้ารู้สึกตแตกต่างแล้วไม่มีทางสมานในฉันแล้วครับผม ว่าในคำว่าสมานในชาติใหพูดง่ายแต่ทายากรับรู้รักสามัคคีก็เหมือนกันคนต้องรู้สึกว่าเรากับพวกเราจึงสามัคคีกันได้อถ้าเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันสามัคคีไม่ได้เห็นนะฮะครับนี่มันคือเรื่องเรื่องง่ายดีเดียบที่ว่าสมาคมต่างๆจนต้องย่อยมาเป็นบังทีเป็นอําเภอเลยแต่ว่าในจังหวัดนั่นเองก็ไม่เข้ากันเลยก็มาแย่งเป็นสมาคมเป็นอําเภอเพราะเขาต้องรู้สึกพวกเดียวกันอําเภอเดียวกัน นะะบางจังหวัดสามารถที่จะผนึกจังหวัดได้ก็จังหวัดเดียวกันหรือภาคเดียวกันอะไรตายนี่ครับแต่ว่าเราก็เอาปร ะ, ประเทศเดียวกันเราผนึกไม่ได้นะฮะครั บ, รบเพราะายังมีความเป็นรอเป็นขออยู่เยอะดังนั้นถ้าเรามีศูนย์รวมคือศูนย์ทางาศาสนานี่มันเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่ า, าศาสนาเนี่ยมันเป็นระดับนานาชาติาศาสนาพุทธศาสนาศ า, นาสาศานาคริส ต, ต์มันระดับนานาชาติ เมื่อเราศาสนาพูดเป็นศาสนาประจำชาติของไทยเนี่ยเวลานี้จีนเองเขาประชากรเองปรประชากรเขาเป็นพุทธได้มากกว่าเราครับนะแต่ว่าโดยเปอร์เซ็นต์ของจํานวนประชากรเฉพาะประเทศเนี่ยเรามากกว่าเขาครับแต่จำนวนคนจริงๆเขามากกว่าเราเขาร้อยกว่าล้านนะฮะเขาร้อยกว่าล้านเราเราก็แค่ห้าสิบกว่าล้านนั่นเองเขาก็ให้เราเป็นใหญ่ครับให้เราเป็นศูนย์กลางอ ซึ่งหมายความว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราเป็นขึ้นมาได้เราจะสนับสนุนแล้ะคนจะรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองเป็นาศาสนิกในาศาสนาประจำชาติ oh. มันก็ไปไปไปรวมกันส่วนยอดไง ค, คนจะรู้สึกรวมกันเป็นส่วนยอดว่าเราเป็นาศาสนาเดียครับแล้วาศาสนาเราเป็นมีบทบาทนำ ป, นนนประเทศอยู่ในสถาบันหลักของแผ่นดิน สำคัญนะฮะ MM. <Luc ar ic> ส่วนชวนชวนหัวนี่สําคัญที่สุดเลยถ้าส่วนหัวรวมไม่ได้แล้าชวนชวนดีมันก็รวมไม่ได้ครับขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับวันนี้ขอกลับขอภัยหลายสายนะครับที่โทรเข้ามาไม่ติดรับเวลาหมดซะก่อนนะครับสําหรับแฟนรายการหลายท่านนะครับที่โทรศัพท์มาไม่ได้นะครับเพราะว่าสายแน่นมากก็จดหมายมาได้นะครับที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิปทุม หกประหโยธินจตุจักรกรุงเทพหนึ่งศนย์เก้าศูนรับสารไฟรายการที่อยู่ไกลๆนะครับอยากได้หนังสือธรรมะไปอ่านนะครับก็เขียนจดหายมาแล้วก็บอกที่ที่อยู่มานะครับท่านพลเอกเสรีพุกขามันและท่านดรเฉลี่พรผูุ้กยาพรพุกขามันจะจัดส่งเป็นธรรมบันดาการเด็ดท่านนะครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปีงขอกราบราทู้รับฟังรายการทุกท่านก่อนนะครับขอความเจริญในธรรมีแต่ท่านผู้รับประฟังรายการทุกท่านครับขอกราบสวัสดีครับ